ภาพอัตตาหรือทฤษฎีเกี่ยวกับอัตตาที่สร้างขึ้นย่อมเป็นไปตามความสัมพันธ์ระหว่างภาวะตันหากับสิ่งที่ยึดถือว่าเป็นอัตตาในชั้นต้นประดับที่ง่ายที่สุดก็ยึดกายเป็นอัตตาแต่ก็เห็นได้ชัดในไม่ช้าว่าร่างกายไม่มีภาวะยั่งยืนที่จะสนองภาวะตันหาได้จึงค้นหาสิ่งที่จะยึดเป็นอัตตาต่อไปอีก